สการซึ่งพระโลกนาเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาคุณผู้บรรลุฝังแห่งสาครคือยยธรรมผู้มีเทสนาในันอละเอียดลึกซึ้งและวิจิตขอนมัสการซึ่งพระธรรมเจ้าอันสูงสุดนั้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้ว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 ที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเสียงอ่านพระธรรมของนักศึกษาพระอภิธรรมสำนักเรียนพระอภิธรรมอภิธรรมมิ ก, กะวิชาลัยวัดลอมพระเจ้าตองตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนการอ่านพระธรรมจากพระธรายปิฎกครั้งนี้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 พีตะสูตรว่าด้วยโทษของการขับด้วยเสียงยาวดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษของภิกษุผู้กล่าวทมด้วยเสียงขับที่ยาวห้าประการนี้ห้าประการเป็นไนคือตนเองย่อมกำหนัดในเสียงนั้นบ้างผู้อื่นย่อมกำหนัดในเสียงนั้นบ้าง พวกขรหาบดีย่อมยกโทษว่าพวกสมณะสากยะบุตรเหล่านี้ย่อมขับเหมือนพวกเราขับบ้างเมื่อภิกษุพอใจกระทำเสียงความเสื่อมแห่งสมาธิย่อมมีบ้างประชุมชนรุ่นหลังย่อมถือเป็นแบบอย่างบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษของภิกษุ ผู้กล่าวทมด้วยเสียงขับที่ยาวห้าประการนี้แลจบคีตะสูตรที่เก้ามุตถสติสูตรว่าด้วยโทษและคุณของการนอนหลับดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษแห่งภิกษุผู้ลืมสติไม่มีสมปชัญญะนอนหลับ5ประการนี้5ประการเป็นไนคือย่อมหลับเป็นทุกข์หนึ่งย่อมตื่นเป็นทุกข์หนึ่งย่อมฝันลามกหนึ่งเทวดาย่อมไม่รักษาหนึ่งน้อสุจิย่อมเคลื่อนหนึ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษแห่งภิกษุผู้ลืมสติไม่มีสัมปชัญญะนอนหลับ5ประการ น, นี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสง์แห่งภิกษุผู้มีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะนอนหลับหประการนี้แลห้าประก า, นนารกาเป็นไนคือ ย่อมหลับเป็นสุขหนึ่งย่อมตื่นเป็นสุขหนึ่งย่อมไม่ฝันลามกหนึ่งเทวดาย่อมรักษาหนึ่งน้ำอสุจิย่อมไม่เคลื่อนหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสง์แห่งภิกษุผู้มีสติตั้งมั่นมีสัมประชัญญะนอนหลับห้าประการนี้แล จบมุถัดสติสูตรที่สิบจบกิมพิละวัคที่หนึ่งพระโหพาณีสูตรว่าด้วยคุณและโทษของการพูดดูก่อนพิสูทั้งหลายโทษห้าประการนี้ มีอยู่ในบุคคลผู้พูดมากห้าประการเป็นไนคือพูดเท็จหนึ่งพูดจอเสียดหนึ่งพูดคำหยาบหนึ่งพูดเพ้อเจ้อหนึ่งเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาท น, นรกหนึ่งดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย โทษ5ประการนี้แหลมีอยู่ในบุคคลผู้พูดมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงฆ์5ประการนี้มีอยู่ในบุคคลผู้พูดพอประมาณ5ประการเป็นไนคือไม่พูดเท็จหนึ่งไม่พูดส่อเสียดหนึ่งไม่พูดคำหยาบหนึ่ง ไม่พูดเพอเจ้อหนึ่งเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสง์ห้าประการนี้แหละมีอยู่ในบุคคลผู้พูดพอประมาณจบพระหหพาณีสูตรที่สี่ ปธรมะอขันติสูตรว่าด้วยโทษของอขันติและคุณของขันติดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทนห้าประการนี้5ประการเป็นไนคือผู้ไม่อดทนย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมากหนึ่ง ย่อมเป็นผู้มากด้วยเวนหนึ่งย่อมเป็นผู้มากด้วยโทษหนึ่งย่อมเป็นผู้หลงกระทํากายละหนึ่งเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนรกหนึ่งดูก่อนพิกูุ์ทั้งหลายโทษของความไม่อดทนห้าประการนี้แล ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงของความอดทนห้าประการนี้หประการเป็นไนคือผู้อดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมากหนึ่งย่อมเป็นผู้ไม่มากด้วยเวรหนึ่งย่อมเป็นผู้ไม่มากด้วยโทษหนึ่ง ย่อมเป็นผู้ไม่หลงกระทากาละหนึ่งเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงของความอดทนห้าประการนี้แลจบปฐมอาขันติสูตรที่ห้า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 ย่อมเป็นผู้โหดร้ายหนึ่งย่อมเป็นผู้เดือดร้อนหนึ่งย่อมเป็นผู้หลงกระทํากายละหนึ่งเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตณนะรกหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทนห้าประการนี้แล ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอานิสง์ของความอดทนห้าประการนี้ 5. ประการเป็นไนคือผู้อดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมากหนึ่งย่อมเป็นผู้ไม่โหดร้ายหนึ่งย่อมเป็นผู้ไม่เดือดร้อนหนึ่งย่อมเป็นผู้ไม่หลงกระทํากาละ เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงของความอดทนห้าประการ น, นี้แลจบทุติยะอคันติสูตรที่หกปฐมะ อปาสาที่กะสูตรว่าด้วยคุณและโทษของกรรมที่น่าเลื่อมใสและไม่น่าเลื่อมใสดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายโทษห้าประการนี้มีอยู่ในบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยกายกรรมเป็นต้นอันไม่น่าเลื่อมใสหประการเป็นชะไหนคือ แม้ตนเองย่อมติเตียนตนได้หนึ่งวินยูชนพิจารณาแล้วย่อมติเตียนหนึ่งกิตติศัพท์ที่ชั่วย่อมฟุ้งไปหนึ่งย่อมเป็นผู้หลงกระทํากาละหนึ่งเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนรกหนึ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษห้าประการนี้แลมีอยู่ในบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยกายกรรมเป็นต้นอันไม่น่าเลื่อมใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสง์ห้าประการนี้มีอยู่ในบุคคลผู้มีความประพฤตินำมาซึ่งความเลื่อมใส ห้าประการเป็นไนคือแม้ตนเองย่อมไม่ติเตียนตนเองได้หนึ่งวินยูชนพิจารณาแล้วย่อมสรรเสริญหนึ่งกิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไปหนึ่งย่อมเป็นผู้ไม่หลงกระทํากาลละหนึ่งเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์หนึ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสง์ห้าประการนี้แลมีอยู่ในบุคคลผู้มีความประพฤตินำมาซึ่งความเลื่อมใสจบปัมะอาปาสาทิกะสูตรที่เจ็ดทุติยะ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 คนพวกที่ยังไม่เลื่อมใสย่อมไม่เลื่อมใสหนึ่งคนพวกที่เลื่อมใสแล้วบางพวกย่อมคลายความเลื่อมใสหนึ่งชื่อว่าย่อมไม่กระทำต า, ตามคำสอนของพระาศาสดาหนึ่งประชุมชนชั้นหลังย่อมถือตามหนึ่งจิตของเขาย่อมไม่เลื่อมใสหนึ่ง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 คนพวกที่ยังไม่เลื่อมใสย่อมเลื่อมใสหนึ่งคนพวกที่เลื่อมใสแล้วย่อมเลื่อมใสยิ่งขึ้นหนึ่งชื่อว่าย่อมกระทําตามคําสั่งสอนของพระศาสดาหนึ่งประชุมชนชั้นหลังย่อมถือตามหนึ่งจิตของเขาย่อมเลื่อมใสหนึ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงห้าประการนี้แลมีอยู่ในบุคคลผู้มีความประพฤตินำมาซึ่งความเลื่อมใสจบทุติยะอาปาสาธิกะสูตรที่แปอภิสูตร ว่าด้วยโทษของไฟดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษห้าประการนี้มีอยู่เพราะไฟห้าประการเป็นไนคือทำให้ตาฝ้าฟางหนึ่งทำให้ผิวเสียหนึ่งทำให้ทุรพลหนึ่งย่อมยังการครุกคลีหมู่คณะให้เจริญหนึ่ง ย่อมยังดิรัดฉานกถาให้เป็นไปหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษห้าประการ น, นี้แหลมีอยู่เพราะไปจบอัคติสูตรที่เก้ามะทุราสูตร ว่าด้วยโทษแห่งนครมะทุตราดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายโทษห้าประการนี้มีอยู่ในนครมะทุราห้าประการเป็นไนคือนครมะทุรามีพื้นดินไม่ราบเรียบหนึ่งมีฝุ่นมากหนึ่งมีสุนัขดุหนึ่งมียักษ์ร้ายหนึ่ง หาอาหารได้ยากหนึ่งดูก่อนพิสูทั้งหลายโทษห้าประการนี้แลมีอยู่ในนครมะทุราจบมะทุราสูตรที่สิบจบอกโกสกะวัคที่สอง พระสุดตันตะปิฎกอังคุตตระนิกายปัญจกะนิบาทปัญจมะปัญนาตทีฆะจาริกะวรที่สามปทมะทีฆะจาริกะสูตรว่าด้วยคุณและโทษของการจาริกดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษของภิกษุ ผู้ประกอบการเที่ยวไปนานการเที่ยวไปไม่มีกำหนดห้าประการนี้ห้าประการเป็นไนคือย่อมไม่ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 1. ย่อมไม่เข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว 1. ย่อมไม่แกล้งกล่าด้วยสิ่งที่ได้ฟังแล้วบางประการหนึ่ง ย่อมได้รับโรคเลื้อรังอย่างหนักหนึ่งย่อมไม่มีมิตรหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษของภิกษุผู้ประกอบการเที่ยวไปนานการเที่ยวไปไม่มีกำหนดห้าประการ น, นี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นิสส์ในการเที่ยวไปมีกำหนดพอสมควร5ประการนี้ 5. ประการเป็นไนคือย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง1ย่อมเข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว1นึ่งย่อม ก, กล้าด้วยสิ่งที่ได้ฟังแล้วบางประการหนึ่ง ย่อมไม่ได้รับโรคเรื้อรังอย่างหนักหนึ่งย่อมมีมิตรหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอานิสง์ในการเที่ยวไปมีกำหนดพอสมควรห้าประการนี้แลจบปัธรมทีฆะจาริกะสูตรที่หนึ่ง ชุติยะทีฆะจาริกะสูตรว่าด้วยคุณและโทษของการจาริกดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษของภิกษุผู้ประกอบการเที่ยวไปนานการเที่ยวไปไม่มีกาหนดห้าประการนี้ห้าประการเป็นไนคือย่อมไม่ได้บรรลุคุณวิเศษที่ยังไม่ได้บรรลุ 1. ย่อมเสื่อมจากคุณวิเศษที่ได้บรรลุแล้วหนึ่งย่อมไม่แกล้วกล้าด้วยคุณวิเศษที่ได้บรรลุแล้วบางประการ 1. ย่อมได้รับโรคเรื้อรังอย่างหนัก 1. ย่อมไม่มีมิตรหนึ่งก่อนภิกษุทั้งหลายโทษของภิกษุ ผู้ประกอบการเที่ยวไปนานการเที่ยวไปไม่มีกำหนด5ประการนี้แลดูก่อนภิสูจนทั้งหลายอานิสงฆ์ในการเที่ยวไปมีกำหนดพอสมควร5ประการนี้5ประการเป็นไนคือย่อมได้บรรลุคุณวิเศษที่ยังไม่ได้บรรลุหนึ่ง ย่อมไม่เสื่อมจากคุณวิเศษที่ได้บรรลุแล้วหนึ่งย่อมแกล้วกล้าด้วยคุณวิเศษที่ได้บรรลุแล้วบางประการหนึ่งย่อมไม่ได้รับโรคเรื้อรังอย่างหนักหนึ่งย่อมมีมิตรหนึ่งดูกนภิกษุทั้งหลาย นิสงในการเที่ยวไปมีกำหนดพอสมควรห้าประการนี้แลจบทุติยะทีฆะจาริกะสูตรที่สองอภินิวาสสูตร ว่าด้วยคุณและโทษของการอยู่อาศัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษในการอยู่ประจำที่5ประการนี้5ประการเป็นไนคือภิกษุอยู่ประจำที่ย่อมมีสิ่งของมากมีการสะสมสิ่งของมากหนึ่งมีเพศมาก มีการสะสมเภสัต์มากหนึ่งมีกิจมากมีกรณียะมากไม่ฉลาดในกิจที่จะต้องทำหนึ่งยอมอยู่คลุกคลีด้วยขฤาหัสและบรรพชิตด้วยการคลุกคลีกับขฤหัสอันไม่สมควรหนึ่งเมื่อจะหลีกไปจากอาวาสนั้น ย่อมมีความห่วงใยหลีกไปหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษในการอยู่ประจาที่ห้าประการนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงในการอยู่มีกำหนดพอสมควร5ประการนี้หประการเป็นไนคือภิกษุ ผู้อยู่มีกําหนดพอสมควรย่อมไม่มีสิ่งของมากไม่มีการสะสมสิ่งของมากหนึ่งไม่มีเพสัชมากไม่มีการสะสมเภสัชมากหนึ่งไม่มีกิจมากไม่มีกรณียะมากฉลาดในกิจที่จะต้องทำหนึ่ง ไม่เป็นผู้ครุกครีด้วยขลือหัดและบรรพชิตด้วยการครุกครีกับขลือหัดอันไม่สมควรหนึ่งเมื่อจะหลีกไปจากอาวาสนั้นไม่มีความห่วงใยหลีกไปหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงในการอยู่มีกำหนดพอสมควรห้าประการนี้แลจบ อภินิวาสะสูตรที่สามมาชระสูตรว่าด้วยคุณและโทษของการอยู่อาศัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษในการอยู่ประจำที่ห้าประการนี้ หประการเป็นไนคือภิกษุผู้อยู่ประจําที่เป็นผู้ตรณีที่อยู่หนึ่งตรณีสกุลหนึ่งตรณีลาบหนึ่งตรณีวันณนะหนึ่งตรณีธรรมหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษในการอยู่ประจําที่ห้าประการนี้แล ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงฆ์ในการอยู่มีกำหนดพอสมควรห้าประการนี้ห้าประการเป็นไนคือภิกษุผู้อยู่มีกำหนดพอสมควรเป็นผู้ไม่ตรนีที่อยู่หนึ่งไม่ตรนีสกุลหนึ่งไม่ตรนีลาบหนึ่งไม่ตรนีวันนะหนึ่ง ไมตรีธรรมหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอานิสง์ในการอยู่มีกำหนดพอสมควรห้าประการนี้แลจบมัชระสูตรที่สี่ปั ร, รมะกุลุปกะสูตร ว่าด้วยโทษแห่งการเข้าไปสู่สกุลดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษห้าประการนี้มีอยู่ในภิกษุผู้เข้าไปสู่สกุลห้าประการเป็นไนคือภิกษุผู้เข้าไปสู่สกุลย่อมต้องอาบัติเพราะเที่ยวไปโดยไม่บอกลาหนึ่ง ย่อมต้องอาบัตเพราะนั่งในที่รับหูกับมาตุคามหนึ่งย่อมต้องอาบัตเพราะนั่งในที่รับตากับมาตุคามหนึ่งเมื่อแสดงธรรมแกมาตุคามเกินกว่าห้าหกคำย่อมต้องอาบัตหนึ่งย่อมมากด้วยความดำริในกามอยู่หนึ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษห้าประการนี้แลมีอยู่ในภิกษุผู้เข้าไปสู่สกุลจบปัธรรมกุลุปกะกสูตรที่ห้าทุติยะกุลุปกะกสูตร ว่าด้วยโทษของการคลุกคลีในสกุลเกินเวลาดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษห้าประการนี้ย่อมมีแก่ภิกษุผู้เข้าไปสู่สกุลคลุกคลีอยู่ในสกุลเกินเวลาห้าประการเป็นฉะไหนคือการเห็นมาตุคามเนืองเนืองหนึ่ง เมื่อมีการเห็นย่อมมีการเกี่ยวข้องหนึ่งเมื่อมีการเกี่ยวข้องย่อมมีการคุ้นเคยหนึ่งเมื่อมีการคุ้นเคยย่อมมีจิตจดจอ่อหนึ่งเมื่อมีจิตจดจ่อแล้วพึงหวังผลข้อนี้คือเธอย่อมไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์จักต้องอาบัติที่เศร้าหมอง หรือจากบอกคืนสิขาลาเพศหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษห้าประการ น, นี้แลย่อมมีแก่ภิกษุผู้เข้าไปสู่สกุลคลุกคลีอยู่ในสกุลเกินเวลาจบทุติยะกุลุประกศสูตรที่ห โอเคสูตรว่าด้วยคุณและโทษของพ่คาทัพย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษในเพราะพ่อคาทัพย์5้าประการนี้5ประการเป็นไนคือพ่อคาทศัพย์เป็นของทั่วไปแก่ไฟหนึ่งเป็นของทั่วไปแก่น้ำหนึ่งเป็นของทั่วไปแก่พระราชา นึงเป็นของทั่วไปแก่โจรหนึ่งเป็นของทั่วไปแก่ทายาทผู้ไม่เป็นที่รักหนึ่งดูก่อนพิสูุทั้งหลายโทษในเพราะพภกขทรัพย์ห้าประการนี้แลดูก่อนพิสูุทั้งหลายอานิสงส์ในเพราะพภคขทรัพย์ห้าประการนี้ ถ้าประการเป็นไนคือเพราะอาศัยพภอขรัพย์บุคคลจึงเลี้ยงตนให้เป็นสุขเอบอิ่มบริหารให้เป็นสุขได้โดยชอบหนึ่งเลี้ยงมารดาบิดาให้เป็นสุขเอบอิ่มบริหารให้เป็นสุขได้โดยชอบหนึ่งเลี้ยงบุตรภรรยา คนใช้คนงานและบริวารให้เป็นสุขเอิบอิ่มบริหารให้เป็นสุขได้โดยชอบหนึ่งเลี้ยงมิตรและอมมาดให้เป็นสุขเอิบอิ่มบริหารให้เป็นสุขได้โดยชอบหนึ่งย่อมบำเพ็ญทักษิณาทานที่มีผลเลิศเป็นทางสวรรค์มีสุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรค์ในสมณะพรามทั้งหลายหนึ่งดูก่อนที่สูทั้งหลายอานิสงในเพราะโพคัพั์ห้าประการนี้แลจบโพคาสูที่เจ็ดพัตตะสูตร ว่าด้วยคุณและโทษของการหุงต้มดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษห้าประการนี้มีอยู่ในสกุลที่หุงต้มอาหารในเวลาสายห้าประการเป็นไนคือย่อมไม่ได้ต้อนรับแขกที่ควรต้อนรับตามเวลาหนึง่ง ไม่ได้บูชาเทวดาผู้รับพรีตามเวลาหนึ่งไม่ได้ต้อนรับสมณพราหมณ์ผู้ฉันหนเดียวงดการฉันในเวลากลางคืนเว้นการฉันในเวลาวิกาลตามเวลาหนึ่งคนใช้คนงานและบริวารหลบหน้าทำการงานหนึ่ง อาหารที่บริโภคตามเวลาที่ไม่ควรเช่นนั้นไม่มีโอชาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษห้าประการนี้แลมีอยู่ในสกุลที่หุงต้มอาหารในเวลาสายดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสง์ห้าประการนี้ มีอยู่ในสกุลที่หุงต้มอาหารตามเวลาห้าประการเป็นไนคือย่อมได้ต้อนรับแขกที่ควรต้อนรับตามเวลาหนึ่งย่อมได้บูชาเทวดาผู้รับพรีตามเวลาหนึ่งย่อมได้ต้อนรับสมณพราหมณ์ผู้ฉันหนเดียว งดการฉันในเวลากลางคืนเว้นการฉันในเวลาวิกาลตามเวลาหนึ่งคนใช้คนงานและบริวารย่อมไม่หลบหน้าทําการงานหนึ่งอาหารที่บริโภคตามเวลาที่ควรเช่นนั้นย่อมมีโอชาหนึ่งดูก่อนทิ่สูตทั้งหลาย อนิสงห้าประการนี้แลมีอยู่ในสกุลที่หุงต้มอาหารตามเวลาจบพัตตสูตรที่แปลปัมะสัปปะสูตรว่าด้วยโทษของงูเห่าและมาตุคาม ดูก่อนพิกูุทั้งหลายโทษในงูเห่าห้าประการนี้ห้าประการเป็นไนคือเป็นสัตว์ไม่สะอาดหนึ่งมีกลิ่นเหม็นหนึ่งมีความน่ากลัวมากหนึ่งมีภัยเฉพาะหน้าหนึ่งมักประทุษร้ายมิดหนึ่งดูก่อนพิกษุทั้งหลาย โทษในงูเห่าห้าประการนี้แลดูก่อนพิกษุน์ทั้งหลายโทษในมาตุคามห้าประการฉันนั้นเหมือนกัน5ประการเป็นไนคือเป็นผู้ไม่สะอาดหนึ่งมีกลิ่นเหม็นหนึ่งมีความน่ากลัวมากหนึ่งมีภัยเฉพาะหน้าหนึ่ง มักประทุวงสลายมิตรหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษในมาตุคามห้าประการนี้แลจบปัมะสัปปะสูตรที่เก้าทุติยสัปปะสูตร ว่าด้วยโทษของงูเห่าและมาตุคามดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษในงูเห่าห้าประการนี้ห้าประการเป็นไนคือเป็นสัตว์มักโกรธหนึ่งมักผูกโกรธหนึ่งมีพิษร้ายหนึ่งมีสองลิ้นหนึ่งมักประทุษร้ายมิตหนึ่ง ดูก่อนพิกษุทั้งหลายโทษในงูเหา่าห้าประการนี้แลดูก่อนพิกษุทั้งหลายโทษในมาตุคามห้าประการนี้ฉันนั้นเหมือนกันห้าประการเป็นไนคือเป็นผู้มักโกรธหนึ่งมักผูกโกรธหนึ่งมีพิษร้ายหนึ่งมีสองลิ้น หมักประทุษร้ายมิตรหนึ่งดูก่อนภิสูุ์ทั้งหลายในโทษห้าประการนั้นความที่มาตุคามเป็นผู้มีพิษร้ายคือโดยมากมาตุคามมีราคะจัดความที่มาตุคามเป็นผู้มีสองลิ้นคือโดยมากมาตุคามมีวาจาส่อเสียด ความที่มาตุคามเป็นผู้มักประทุษร้ายมิตรคือโดยมากมาตุคามมักประพฤตินอกใจดูก่อนพิกูุน์ทั้งหลายโทษในมาตุคามห้าประการนี้แลจบทุติยสัปสูรที่สิบจบทีฆะจาริกะวักที่สา ก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมเป็นผู้ควรยกย่องธรรมห้าประการเป็นไนคือภิกษุเจ้าอาวาสเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยมารยาทถึงพร้อมด้วยวัดหนึ่งเป็นพระหูสูตรทรงไว้ซึ่งสูตรตะหนึ่งเป็นผู้ประพฤต ขัดเกลายินดีในการดีกออกเร้นยินดีในกัลยาณธรรมหนึ่งมีวาจาัายเระกระทำถ้อยคำให้ภพดร์หนึ่งมีปัญญาฉเฉลียวฉลาดหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาดประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลเป็นผู้ควรยกย่อง จบอาวาสิกะสูตรที่หนึ่งปิยะสูตรว่าด้วยปิยะธรรมของเจ้าอาวาส ด, ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาส ประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจที่เขารบและเป็นที่สรเสริญของเพื่อนพรหมจันยร์ธรรมห้าประการเป็นไนคือเป็นผู้มีสินสำรวมด้วยความสำรวมในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายหนึ่งเป็นพระโหสูตรทรงไว้ซึ่งสูตรสะสมสูตรเป็นผู้ได้สดับมากทรงจำไว้ขึ้นปากคล่องใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ ซึ่งทำอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงหนึ่งเป็นผู้มีวาจาไพเราะกระทำถ้อยคำให้ไพเราะประกอบด้วยวาจาของชาวเมืองสละสลวยไม่มีโทษ ให้ทราบข้อความได้ชัดหนึ่งเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันหนึ่งทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาดประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจที่เคารพและเป็นที่สลรเสริญของเพื่อนพรหมจันทร์จบปีญาสูตร ที่สองโสพนสูตรว่าด้วยโสพนธรรมของเจ้าอาวาดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาดประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมยังอาวาดให้งาม ห้าประการเป็นชไฉนคือเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยความสำรวมในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยศึกษาสมทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลายหนึ่งเป็นพระโหสูตร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 บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงหนึ่งเป็นผู้มีวาจาไพราเราะกระทำถ้อยคําให้ไพเราะประกอบด้วยวาจาของชาวเมืองสละสลวยไม่มีโทษให้ทราบข้อความได้ชัดหนึ่งเป็นผู้สามารถเพื่อให้ผู้เข้าไปหาเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหา ให้รา่าเริงด้วยธรรมมีคาถาหนึ่งเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งชาญสี่อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลย่อมยังอาวาสให้นามจบโสภณสูตรที่สามท่านสาธุชนทั้งหลาย